เราตบวัดเช้ากัน เ, เตรียมตัวหลบแล้วกาาราบอรหังสมสมาสัมุตองภะความพระพุทธมีพระภากเจ้าเป็นพระอระหันต์ดาเพลิงกิเลสพลิงทุกข์สิ้นเชิง เระสรว้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ทำผักเข้าวันตั้งอภิวาเทเมียมมีคำบัญชาอภิวาทพระภูมีพระภาคเจ้าผู้รวมผู้ตื่นผู้เบิกบาน ผางข้าต้นผางข้าวตาธรมนประทำเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วทำมังนมัสสามีข้าบิเจ้านมัสการพระธรรม สุปฏิป น, นุาานผักขวโต ส, สาวกสังโอนราชสงสารวง์ของรพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังขังนมามีข้าพระเจ้านอมนอมพระชสงฆ์ namo t a r a h a t a m m a samudassa n a o tathagata r a h a samma samudassa namo tathagata r a h o s a m d s a ขอน้มน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสจัสรุนชอบได้โดยพระองค์เองเปิดหนังสือไปหน้าแปดสิบเหน้าคเจพระมหาสติปทานสูตร เทวเมสุตังข้าพระเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้ว่าเอกลางสมยังเบิกขาวครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้ากุรุสุวิหรารตีประทักอยู่ในดินแดนแห่งหมู่ชนชาวกุรุตั้งหลาย กรรมาตธรรมังนาเมกุรูนังนิคมอนิคมแห่งชาวกุรูเช่อนิคมกรรมาตธรรมาตาตระโคปะขวาภิกขุอัมมันเตสีภิกขโวติมนาทีนั้นเองราภูมิพระพากราเปียภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย อดันเตติเตปิกุปะคะวะโตปจัาาตโสสุปะคะวาเอเตโตจามันปิกสูทั้งหลายทุนขันว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังนี้แล้ว พระภูมีพระภาคจึงตรอสเมื่อความมันเป็นอุเทศคือหัวขอ้อแห่งมหาสติประธานสูตรนี้ว่าเอกายโนอยังบิกเวมะโคมปิกสูทั้งหลายหนทางนี้เป็นหนทางเพียงทางเดียว สัตตานังวิสุทธิอนเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายโสกปริเทวานังสมะทิกมายะเพื่อการก้าวล่วงเสียสิ่งความโศกและความร่ำไรรำพันทุกขโทมนัสานังอัตถกรรมายะเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกขและโทมานัส ยายาสาอาทิกมายาเพื่อบรรลุธรรมบรรสัดพึงรู้นิพพานาสาสชิกิริายาเพื่อธรรมรานิพพานให้แจ้ง ยาที่ทางจัตตารโอสติปทานามหนทางนี้คือสติปทานสี่กาตเมจัตตารโอสติปทานดังสี่คืออะไรเล่าอิทาภิกขเวภิกขุมภิกสูตทั้งหลายภิกสูตในศาสนานี้กายเยกายานุปัสสิวิหรติ เป็นผู้มีปะกะติเห็นกายในกายอยู่ อาตาปิสัมปชานสติมันเธอมีความเปลี่ยนเครื่องเผาบามมีความรู้สึกตัวทัวพร้อมมีสติวินัยโรกเกอพิชาโทมนาสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียไดย้เรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐาน เวทนาสุเวทนานุปัสสิวิหรารติมเป็นผู้มีปกติเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่อาตาปีสัมปชาโนสติมันเธอมีความเพียรเครื่องเผาบากมีความรู้สึกตัวตัวพร้อมมีสติ วินัยยโรเกอพิชาโทมานะสางํำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตเตจิตานุปสีวิหารติม เป็นผู้มีปกติเห็นจิตในจิตอยู่อาตาภิสัมปชาโนสติมานเธอมีความเพียนเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติวินัยยโรเคเกอพิชชาโทมนะสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัานามมธรรมสุธรรมานุปัสสิวิหารติเป็นผู้มีปรกติห็นในธรรมทั้งหลายอยู่อาตาปีสัมปชานสติมันธ อ, ธอมีความเพียนเครื่องเผ่าว่ามีความรู้สึกตัวตัวพร้อมมีสติ วินัยยาโรเกอพิชาโทมนาสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปทฏฐานกันฑะบิคเวบิขุกายะกายานุปสิวิหะรตี ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่นั้นเป็นอย่างไรเราอิทาภิกขเวบิกขภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนานี้ อรัญญาคโตวังไปแล้วสุปาก็ตามรุกขมุรากคโตวหรือคนไม่ก็ตามสุญญาารักคตตวหรือเรียนวางก็ตาม นิสีตติปันลังกังอาปุจิตตวานยอมนังกู้ขาเข้ามาโดยรอนผู้ชุ่มกายังเปนทายาตังกายตรงปาริมุขังสติอุปัฏฐเปตตวานดำรงสติเฉพาะนั้โสสตวานัสสสติเธอเป็นผู้มีสตินั้นเทียวขณะหายใจ ออกสาธุปัสสะสติมีสติขณะหายใจเข้าอีกครั้งว่าอรรสันโตเมื่อหายใจออกยาวอีกครั้งอาศัสมิติปัชานตีนก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว ที่ครังว่าปัสะสันโตเมือม่อหายใจเขา้ายาวที่ครงปัสะสัมมิติประชาณติก็รู้ชัดว่าเราหายใจเขา้ายาวระสังวะปัสสันโตเมือ่อหายใจออกซานรัสะปัสสมีติประชาณติก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกซาน ราสังวาปัสะสันโตเมื่อหายใจเข้าสัน่นราสังปัสะสามิติปัญนาตีก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสัน สภาวกายปติสังเวทีอาศิสมาติสิกขีตมเธอยอมศึกษาว่าเราจะเป็นผู้รู้พร้อมจะพอซึ่งกายทั้งปวงขณะหายใจออก สาวกกายปฏิสังเวทีปสัสสิสามิติสิกขีเอยยอมศึกษาว่าเราจะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงขณะหายใจเขา้าว่าสัมภังกาสังการังอัสสิสามิติสิกขี เธอยอมศึกษาว่าเราทํากายสังขารให้สงบระงับอยู่ขณะหายใจออกปัสสัมปยังกายสังขารังปัสสสิามิติสิกติเธอยอมศึกษาว่าเราทํากายสังขารในสงบระงับอยู่ขณะหายใจเขา้า วิปปิปปิสังเวทีอาสัศิกษามิติศิกขีมเถื่อยยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้ความเฉพาะซึ่งปิติขณะหายใจออกวิติปปิสังเวทีอาสัศิสษามิตริศิกขีม เยอย้ศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติขณะหายใจเข้าสุขาปฏิสังเวทีอาศิสามีติสิกขิเธย้ำศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขขณะหายใจออกสุขาปฏิสังเวทีอาศิสามีติสิกขี เอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสูง ข, ขณะหายใจเขา้าจิตตาสังขาราปฏิสังเวทีอาศาสัสสัมมิติจิกติเอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตปรุงแต่งขณะหายใจออก จิตสังขาราปฏิสังเวทีปสัสศิสามิติสิกขีเธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้รูร้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตปรุงแต่งขณะหายใจเข้าปัสสัมยังจิตสังขารางสัสสิสามิติสิกขี เอ่ยอมศึกษาวา่าเราเป็นผู้ทาจิตปรุงแต่งให้สงบประงับยู่ขณะหายใจออกว่าสัมบยังจิตตาสังคารังปัสสะสิสามิติสิกติ เธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทาจิตปรุงแต่งให้สงบประนับอยู่ขณะหายใจเข้าจิตตะปฏิสังเวทิอศาศัสสีสวิติสิทธิ์เติเธอย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้ความเฉพาะสิ่งจิตขณะหายใจออก จิตตปติสังเวทีปัสสิสามิติสิกขีเธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้ร้อมเฉพาะสิ่งจรินขณะหายใจเขา้ขาลาภิพรมอดจะยังจิตตั้งอัสสิสามิติสิกขีเธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ประโมดยิ่งอยู่ขณะหายใจออก อาบิปโมจัยังจิตตังปัสสะสิสามิติสิกขีเตียนเรายอมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทําจิตใ้ปราโมทยิ่งอยู่ขณะหายใจเข้าสมะตังจิตตังอาสะสิสามิติสิกสขาาีตีย เธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตในตั้งมันอยู่ขณะหายใจออกสมาทังจิตตังปัสสะสิสามีติสิกติเธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตในตั้งมันอยู่ขณะหายใจเขาวิโมจยังจิตตังอาสาสิสามีทิสิกติ เธอยรอมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยวางอยู่ขณะหายใจออกวิโมตยังจิตตังปัสสิสสามิติสิกเต เอย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ปล่อยวางอยู่ขณะหายใจเขา้าอนิจจานุปสัสสิอัสสะสิสมิติสังขีเอย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นสิ่งความไม่เที่ยงอยู่ขณะหายใจออกอนิจจานุปาสาัสสิปัสสะสิสมิติสิงขี เอย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่ขณะหายใจเขา้าวิราคาโนปัสสิปัสสิสสามิาติสิกติเอย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความชังงครอยู่ขณะหายใจออกวิราคาโนปัสสิปัาสาสิสสามิาติสิกติ เธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นสิงความจางครอยู่ขณะหายใจเข้านิโรธานนบาสีอสาสัสิสามิติสิกติเธอยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นสิ่งความดับไม่เหลืออยู่ขณะหายใจออก นิโรธานุปัสสิปัสสิสามิติสิกขีเถือย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นสิ่งความดับไม่เหลืออยู่ขณนะหายใจเข้า ปตินิสาขานุปัสสิอาศิสามิติสิกติมเธอยอมศึกษาวา่าเราเป็นผู้ตามเห็นสิ่งความสลัดขึ้นอยู่คณะหายใจออก ปตินิสคานุปัสสิปัสสสิสมิสติสกติมเธอยยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นสิงความสลัดขึ้นอยู่ขณะหายใจเขา้า เสยทาปิภิกขเวาโกภะมักคารวพภะมการเตวาสิวานภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนายช่างกึงหรือรูปมือของนายช่างกึงผู้ชำนาญ ที่ังว่าอันฉันโตที่ั้างเงินามีติปัญชาณตีเมื่อจักเชื่อกึงยาวก็รู้ชัดว่าเราจักเชื่อกึงยาวรัดสังว่าอันฉันโตรัดสังเงินฉามีติปัญชาณตีเมื่อจักเชื่อกึงสั้นก็รู้ชัดว่าเราจักเชื่อกึงสั้น เอวะเมวะโกภิกขะเวคุณเบิกสุทังหลายฉันใดก็ฉันนั้นนิติอจตังวากายกายานุปสิวินารติ ด้วยอาการอย่างนี้ที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในบางไวทาวากายกายานุปัสสีวิหรารทตม ในกายอันเป็นภายนอกบ้างอาชาติภัยทาวากายเยกายานุปัสสีวิหารติมในกายทั้งอันเป็นภายในและภายนอกบ้างสมุทัยธรรมานุปัสสีวากายสมิงวิหารติม และเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมอันเป็นเหตุเกิดขึ้นในกายนิบานวายธรรมานุกาสีวะกายาสมิงวิหารติ เห็นธมทังนเป็นเหตุเสื่อมไปในกายนี้บางชมูทยวะยตัมมานุบาสีวากายาสมิงวิหารตีเห็นทํรทั้งอันเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไปในกายนี้บาง อธิกายติวะปนาสสติปจุปติตาโอติกรณสติคือความระลึกว่ากายมีอยู่ดังนี้ของเธอ้นเป็นสติที่เธอดำลงไว้ยาวาเทวาญาณัมตายามเพียเพื่อรู้ปทิสติณัมตยามเพียเพื่ออาศัยระลึก อนิสิตโตจะวิหรติที trabajo, um ่แต่เธอเป็นผู้ที่จันทรติที่อาศัยไม่ได้น่าจะกินจิโรเกอุปาติยติเธอไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกนี้เยวัมปิภิกขเวภิกขุกายกายานุปัสิวิหารติ ภิกษุทั้งหลายแม่อย่างนี้<อ>ก็ชื่อว่าภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ปุณะจะบรังบิบบคเวพิคุณภิกษุทั้งหลายอย่างอื่นยังมีอยู่อีก กัจฉนโตวากัจามิติปัญชานณติมภิกษุเมื่อเดินอยู่ย่อมรู้ชัดว่าเราเดินอยู่ที่โตวาที่โตมาอิติปัญชานณติเมื่อยืนย่อมรู้ชัดว่าเรายืนอยู่ ยสิโนวาสิโนมหยติปัญชาตินเมื่อนั่งย่อมรู้ชัดว่าเรานั่งอยู่สยานุวสยโนุมัยติปัญชาตินเมื่อนอนย่อมรู้ชัดว่าเรานอนอยู่ยญาติญาวาปัสกายโยปณิโตติ เธอตั้งกายไว้ด mm ้วยอาการอย่างใดอย่างใดตาตาตาตาน้ำปัานาตียอมรู้ทั่วถึงกายนั้นด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นอิติอาจตั้งว่ากายเยกายาดุปสีวิหรตี ด้วยอาการอย่างนี้ที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในบ้างภัยทวากายเยกายานุปัสสิวิหรตีในกายอันเป็นภายนอกบ้างอาจจตาัยทวากายเยกายานุปัสสิวิหรตี ในกายทั้งนั้นเป็นภายในและภายนอกบางสามูทยาธรรมานุปัสสีวากายาสมิงวิหารติและเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมอันเป็นเหตุเกิดขึ้นในกายนี้บาง วายธรรมานุปัสสีวากายสัมิงวิหรตินเห็นธรรมมันเป็นเหตุเสื่อมไปในกายนี้บัติสมุทายวายธรรมานุปัสสีวากายสัมิงวิหรตินเห็นธรรมทั้งอันเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไปในกายนี้บัติ อาิกายติวาปนาสสติปัจจุปติตาหติกรล์สติคือความระลึกว่ากายมีอยู่ดังนี้ของเธอนั้นเป็นสติที่เธอดำรงไวยาวาเทวายาณะมตายาเพียงเพื่อรู้ปฏิสติมัตายาเพียงเพื่ออาศัยระลึก อันนีสิโตจะวิหารติมที่แต่เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและที่ที่อาศัยไม่ได้น่าจกยินจิโลเกอุปาทิญติมเธอไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกนี้เอวังปิภิกกเวภิกขุกายกกยานุปัสสิวิหารติม ภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ภุนะเจรพังภิกขเวภิกุลภิกษุทั้งหลายอย่างอื่นยังมีอยู่อีก อาภิกนเตปติกันเ ต, นเตสัมปชานัการิโมตินบิสุย่มเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยกลับมาข้างหลัง อาโลกิเตวิโลกิเตสัมปชันะการิโมติเป็นผู้มีปกติทาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการแลดูการเหลียวดู สำมิญจิตเตปัสสาริเตสัมปชานการีโหติเป็นผู้มีปุคคลดีทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการคู่การเยียดเอาไยว่าสังกาติปตะจิวราธารเนสัมปชานการีโหติ เป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการทรงสังคาติบาจิวร อ, อาสิเตปิเตคายิเตสาอิเตสัมปชานการิโหติเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการกินการดื่มการเที่ยวการเลิ้ย อุจาราปสาวกเมสัมปชานกกริีโอตีเป็นผ <laughs> ู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการไถ่อุจาราปสาวัาคาเตติเตนิสินเนสุเตชาคาริเตภาสิเตตุนิภาเวสัมปชานกกริีโอตี เป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการไปการหยุดการนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่งอิติอา จ, จตังวากายเยกายานุภัสสีวิหารติด้วยอาการอย่างนี้ที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาอินกายในกายอันเป็นภายในบาง ภัยทาวากายีกายานุปัสสิวิหรารตีในกายอันเป็นภัยนอกบ้างอาจจตเปิดภัยวากายีกายานุปัสสิวิหรารตีในกายทั้งอันเป็นภายในและภายนอกบ้างสมุทัยธรรมานุปัสสิวากายสมมิวิหรารตี และเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมอันเป็นเหตุเกิดขึ้นในกายนี้บางวยธรรมานุปัสสีวากายาสมิงวิหารตีเห็นธรรมมันเป็นเหตุเสื่อมไปในกายนี้บางสมุทยวยาธรรมานุปัสสีวากายาสมิงวิหารตี เห็นธรรมทั้งรันเป็นเหตุเกิด ข, ขึ้นและเสื่อมไปในกายนี้บางอธิกายโยติวาปนาสสติปัจจุปปถิตาโอติก็แหลสติคือความระลึกว่ากายมีอยู่ดังนี้ของเธอา น, นเป็นสติที่เธอดำรงไว้ ยาวาเทวายานัมตาญาณเพียงเพื่อรู้ปฏิสติมตาญาณเพียงเพื่ออาศัยระลึกอานิสิโตจะวิหารตีมที่เธอเป็นผู้ที่ตัณหารละที่ที่อาศัยไม่ได้น่าจะกินจิโลเกอุปาทิยาตีมเธอไม่ยึดมันอะไรอะไรในโลกนี้ เอวปิพิกกเวพิกุกายกายานุปัสสิวินารตีภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เอาละเราสุดบาสติปทานสุดว่าด้วยกายานุปัสนาสติปทานพอสมควร เอาเวลาต่อแต่นี้ไปเราก็ปลารวมความเพียรร่วมกันจนถึงเวลาที่สมควร